จากนี้ไปเป็นการแสดงปาธกถาธรรมเรื่องทุกข์และการดับทุกข์โดยพระธรรมโกสาจารย์ปัญญานันทพิขุวัดชปรบทานลังสริต ป, ปากเกร็ดนนทบุรีได้แสดงไว้เมื่อวันที่22สิงหาคม2542ขอเชิญท่านสาธุชนรับฟังได้นะบัดนี้ พุทธบริจัตต์ทั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาตกถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางประพุทธศาสนาแล้วกอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบนั่งพักณนะที่ใดที่หนึ่งในบริเวณวัด ที่สามารถจะได้ยินเสียงชัดเจนแจมแจ้งแล้วจงตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการมาวัดในวันอาทิตย์ตามสมควรแก่เวลาวันอาทิตย์วัดชลประทานเราได้จัดให้มีการเผยแผ่ธรรมะม า, มาตั้งแต่ปี ปศสองพันสี่ร้อยห้าร้อยสามจนกระทั่งบัดนี้ลองคิดดูว่าเป็นเวลากี่ปีแล้วและญาติโยมก็ได้มาฟังกันเป็นประจำตลอดมาทำให้ทุกคนได้ประโยชน์กดได้ศึกษา<ม>ได้เรียนได้รู้ ได้เข้าใจหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าถูกต้องสามารถจะนำไปปฏิบัติแก้ไขปัญหาชีวิตแห่งตนแห่งตนได้ด้วยความเรียบร้อยจังได้มากันทุกวันอาทิตย์ท่านบางคนก็มาตั้งแต่เริ่มเปิดแสดงธรรมมาจนกระทั่งบัดนี้เป็นเวลานานแล้ว ก็ <c oughs> นับว่าเป็นผู้ที่มีความขยันมีความอดทนในการที่จะมาฟังธรรมเราเดินทางไกลพอสมควรบางท่านก็ได้ถึงแก่กรรมไปแล้วเมีสามีปัญญาคู่หนังอยู่รูนสำโรงเลยเลยไปหน่อยมาทุกวัานอาทิตย์สองคนตาใหญ่ มาฟังกันหลายหลายสิบปีต่อมาก็คุณตาหายไปเหลือแต่คุณยายก็ยังมาฟังกันอยู่ถามว่าคุณตาหายไปไหนโยมโอ๋อไปประลูกแล้วค่ะพ่อก็ไปประลูกก็ไม่บอกไม่ลาสักหน่อยจะได้ไปช่วยเปาด้วย บอกว่าไม่ทันได้บอกเขาจัดการเผาเร็วแล้วก็เหลือแต่คุณยายก็ยังมาอยู่เดี๋ยวนี้ก็ไม่มาแล้วคงจะไปแล้วเหมือนกันนีเป็นสมาชิกเก่าแก่สองคนนอกนั้นก็หายไปบ้างเพราะว่าไม่สะดวกกับการขึ้นรถการเดินทางมันต้องนั่งรถนั่งรถเดียวนี้ไม่สะดวกเท่าได รถมันโล่หนังพันแลนด์คนแก่ขึ้นยังไม่ทันนั่งไอ้ลูกน้องท้ายรถก็บอกว่าไปได้พอจะตัดไปคนแก่ก็หงายหลังมางคนหายหลังตกลงไปกลางรถถึงแก่ความตายมีคนหนึ่งมาฟังธทมนี่แหละแล้วรถมันก็หยุดได้ขึ้นพอขึ้นยังไม่ทันนั่งเลย รถมันก็ออกตั้งตัวไม่ทันเลยก็ตกลงไปใต้รถสมองขาดพื้นก็ถึงแก่กรรมไปลูกชายเป็นดาราภา พ, พยนตร์ก็ศพมาตั้งที่นี่เผากันที่นี่หาเรียบร้อยไปก็ยังคิดถึงอยู่อุณยมเหล่านั้นว่าจากไปด้วยอาการที่ไม่ค่อยจะเรียบร้อยเท่าใด แต่ว่าจิตใจคงจะผ่องใสเพราะจิตคิดจะมาวัดแล้วมาถึงแก่กรรมไปเพราะอุปติเหตุก็ไม่รู้จะทำอย่างไรเรื่องการขึ้นรถนี่ต้องระมัดระวังหน่อยแต่มันสำคัญอยู่ที่คนท้ายรถมันมีอำนาจเหนือคนขับมันสั่งให้หยุดก็ได้สั่งให้ไปก็ได้ แล้วเวลาสั่งให้ไปเนี่ยไปดูคนแก่อย่างไม่ตันจะนั่งเลยมันก็ให้ออกแล้วออกแรงจะด้วยกระชากออกไปตั้งตัวไม่ตันก็เลยแงะไายหลังตกลงไปข้างล่างเถินแก่กรมไป อ, อย่างนี้ก็มีแต่นีนญาติโยมที่เอารถมาจอดในวัดกลางวันนี่ก็ไม่ไม่ชู้กันเลยนัก แต่ว่ากลางคืนอย่าไปจอดที่มืดมืดอย่าจอดที่ห่างไกลเพราะมีคนประเภทหนึ่งชอบมาทุบกระนาต่างรถเพื่อเอกเก้าของในรถเหมือนกับมันกาหัดรู้ว่ารถคันนี้มีอะไรอยู่วันนั้นก็ทุบออกกันหนึ่งจอดอยู่ใกล้ขุดตีสร้างใหม่ให้แม่ชีอยู่ ไล่สาลานะ่ะมันก็ทุบกระจกแตกแล้วงัดออเปิดประตูเข้าไปเขาเอาของซ่อนไว้ใต้บาะเขาบอนนกว่าจะพ้นนะพวกนั้นมันเก่งกว่ามันก็เปิดบอกขึ้นยกเข้าไปเป็นเงินสองเมินแล้วก็บัตรเครดิตมือรถือมบอถือตั้งสองอันทำไมต้องใช้ตั้งสองอันก็ไม่รู้ พูดรูกขวาอันหนึ่งพูดรู้ซ้ายอันหนึ่งแล้วปากไหนจะพูดปากมันรู้เดียวนีวจะพูดได้อย่างไรปุ้มเวยไปหน่อยเลยมันเอาไปหมดก็สู้หายกันไปบอกหลายข้างหลายหนแล้วว่าเอารถมาจอดต้องระวังอย่าเอาของอะไรไว้ในรถให้มันเห็นมันอันตราย แต่บางทีมันไม่เห็นแต่มันนึ ก, กว่ามีก็เลยคงมันจะสังเกตมารถกันนั้นมันจึงตามมาจองล่างจองผ่านเอาไปด้วยอันตรายคนมาวัดในี่คนดีมากแต่คนชั่วก็ปลมาด้วยเหมือนกันเราจึงต้องระมัดระวังนั่งใกล้ใครก็ต้องระวังเพราบางทีนั่งใกล้กันก็ลืมอนเลือ่อตัว เวลาเขาลุกขึ้นก็เอากระเป๋าเราไปแต่เอากระเป๋าใบใหม่หมาให้อใบใหม่นั่นไม่มีอะไรรนะมีแต่เศษอังเสื้อพิมพ์เปิดออกดูก็ตกใจว่ามันเปลี่ยนเอากระเป๋าไปจะแล้วก็ไม่รู้จะว่าอย่างไรเพราะเจ้าของเราประมาทเองพระพุทธเจ้าเถิดว่าอย่าประมาทความประมาทเป็นทางแห่งความตาย ความไม่ประมาทเป็นทางแห่งความไม่ตายความประมาทคือขาดสติขาดปัญญาเวลาจะจอดรถก็ไม่ได้คิดในรอบคอบทำอะไรก็ไม่คิดในรอบค้กบางทีคิดแล้วแต่กโมยมันคิดไกลกว่าเราเราคิดพุทธหนึ่งมันคิดไปสพุทธสี่พุทธมันคิดไปไกลแล้วมันก็เอาของเราไป เอาไปแล้วก็แล้วไปอย่าไปเป็นทุกข์เป็นรอดอะไรถ้าค่อยหาใหม่ต่อไปตามหน้าที่ของเราอย่างนี้ก็จิตใจสบายไม่วิตกกังวลอะไรมากเกินไปแล้วอย่าเข็ดอย่าลาบอย่าแนกว่าไปวัดฉลปทานไม่ไหวก่ำโวยเมียอย่าคิดอย่างนั้นก่ำโวยไม่ได้มากอะไรเราก็ต่อมาต่อไป แม่กวรังที่มาตักบาทกับคนไทยคนไทยก็บอกกวรังว่าให้ถอดรองเท้ากวรังก็เชื่อรองเท้าผู้นั้นเพิ่งซื้อใหม่ราคาสี่พันบาทถอดแล้วก็วางไ ว, ว้ตรงทางขึ้นไปเทียนตักบาทไปนั่งไหวพระสวดบนมันสวดไม่ได้แล้วแต่ว่าดูดูก็ไปตามเรื่อง พอเสร็จตุรากลับบอกมารองเท้านั้นอันตรธานไปแล้วก็หลังก็บวนออกมาเพิ่งซื้อมาเมื่อวานนี่เองราคาสี่พันก็เป็นบุญกองคนที่ขโมยเพราะมันได้รองเท้าใหม่กองอยาใส่ฉวยฉายกันไปตามเรื่องของมันแเป็นอย่างนี้ทําให้เสียหายเสียภาพพจน์ของคนไทยว่าืางไทยนี่เปลือยไม่ได้ ก็ดีเพรากันจะได้เตือนคนมาเที่ยวอาย่าเผลอ <c oughs> อย่าประมาทไปไปไหนต้องระมัดระวังเพราะอาจจะมีขโมยขจรที่ตรงไหนก็ได้เพราะเมืองไทยเรามันเป็นอย่างนั้นอย่างแก้ไขกันไม่ได้อีกน้าเตือนจะแก้ได้เพราะมันเป็นเรื่องติดนิตไซดกันมานานแล้ว อันนี้ก็เตือนญาติโยมทั้งหลายให้ได้สำนึกรู้สึกตัวไห้ในการไปการมาการวางข้าววางของอะไรก็ต้องระวังไม่เฉพาะแต่ในวัดเท่านั้นแม้ที่ไหนๆก็ต้องระวังเหมือนกันให้เราสำนึกไหวเสมอว่าบางไทยมีโจรผู้ร้ายชุกชุมถ้าเราเผลอมันก็จะเอาของเรา แต่ถ้าเราไม่เผลอมันเอาของเราไม่ได้ก็มันขึ้นอยู่กับตัวเร า, าเราเผลอหรือไม่เผลอถ้าเผลอก็เอาไปถ้าไม่เผลอก็เอาไม่ได้กลายเป็นของเราต่อไปคิดได้อย่างนี้ก็พอจะช่วยให้ปลอดไปได้ธรรมะช่วยได้ถ้าเราใช้ธรรมะแต่ถ้าเราไม่ใช้ธรรมะธรรมะที่ไหนจะมาช่วย วันเรามีของกินใส่จานไว้แล้วเราไม่กินมันก็น่าบูดเสียเปล่าเปล่ามียาไม่กินยานั้นก็เสียหายเปล่าเปล่าเสียตังด้วยจีงต้องใช้ให้เป็นการใช้ธรรมะเป็นอะไรเรียกว่าเป็นตัวปัญญาตัวหนึ่งแต่ก็ที่เรียกว่าสติสัมผัสโพงโชงมีเจดประการ ก้แรกก็เรียกว่าสติสัมพชฌงคมหมายความว่าต้องคิดต้องตรองต้องใช้สติควบกันกับปัญญาให้รอบคอบในเรื่องอะไรอะไรต่างๆไม่เผลอไม่ประมาทกาคืนก่อนหลับก่อนนอนก็ปิดหน้าต่างใส่กรอใย้า้เรียบร้อยเวลาจะไปไหนก็ต้องปิดประตูปิดหน้าต่าง ใส่กุญแจให้เรียบร้อยแล้ว้ารู้จักคนข้างบ้านก็ขวากหวังเขาด้วยเ้ยช่วยดูแลทำความรู้จักกันไว้คนแก่ๆท่านนั่งมองมองอยู่ตาใครเข้ามาในบ้านท่านก็เห็นท่านอาจจะถามอะไรออ า, าก็จะงักไปได้เพราะคุ้นเคยกันแต่ถ้าเราไม่คุ้นเคยกัน ก่อนมาเอาข้าวเอาของคุณโยมก็ก็นั่งดูโดยคิดว่าวันนี้ย้ายของอีกแล้วความจริงไม่ใจเจ้าของบ้านย้ายแต่ขโมยมาช่วยย้ายคนใส่รถปิกอัพและกว่าย้ายบ้านไม่มีไม่ใจย้ายบ้านขโมยมาช่วยย้ายอย่างนี้มีอยู่บ่อยๆในที่ต่างๆข้าวของก็สูญหายเราก็เสียดาย แต่เรายึดถือมากก็เสียดายมากถ้ายึดถือน้อยก็เสียดายน้อยถ้าไม่ยึดถือเลยก็ยิ่งได้ได้แตว่าอย่างวัตถุมันเอาไปใช้บังเราใช้มานานแล้วคุ้มค่าแล้วเรานักจากนั้นมันก็สบายใจเรียกว่าใช้ธรรมะเป็นใช้ธรรมะเป็นเครื่องปลอบโยนใจก็ได้ใช้ป้องกันอันตรายก็ได้ ใจได้ทั้งสองแง่กันก็ได้แล้วแก้ก็ได้ใจป้องกันก็หมายความว่าทําอะไรด้วยความระมัดระวังแต่ใจแก้ก็เอาธรรมะมาแก้ไขปรับปรุงจิตใจของเราไม่ให้ยึดติดในสิ่งนั้นมากเกินไปให้เข้าใจว่าสิ่งนั้นมันเป็นอย่างนั้นเองจิตใจก็สบายไม่เกิดความทุกข์ความแรกร้อนใจ จุดหมายของการมาวัดเนี่ยก็ต้องมาเรียนรู้ในเรื่องเกี่ยวกับปัญหาชีวิตคือให้รู้ว่าความทุกข์คืออะไรเหตุใดเกิดทุกข์มันอยู่ตรงไหนทุกแก้ได้แต่จะแก้ได้โดยวิธีใดอันนี้เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องสาคัญพระผู้มีพระภาคเจ้าของชาวเราทั้งหลาย ที่ออกไปบวชศึกษาค้นฟ้าเป็นเวลานานถึงหกปีก็ศึกษาเรื่องนี้ค้นฟ้าเรื่องนี้ค้นฟ้าเรื่องความทุกข์เรื่องเหตุของความทุกข์การดับทุกข์ได้ดับได้โดยวิธีใดส่งค้นฟ้าศึกษาปฏิบัติทดสอบเป็นเวลานานถึงหกปีจนได้พบความจริงว่าถึงนี้ ถูกต้องแล้วเพราะทดสอบแล้วจิตใจสะอาดสว่างสงบด้วยความรู้ความเข้าใจอย่างนี้ก็เลยสำคัญพระองค์ว่าเป็นผู้รู้แจ้งเห็นจริงแล้วก็ปฏิบัติพระองค์ได้สงบสะอาดสว่างแล้วก็ไปทำการเผยแผ่คำสอนนี้แก่ประชาชนต่อไปครั้งหนึ่งพระองค์ประทับอยู่ในป่าไม้ เขาเรียกว่าไม้ประดูลายแล้วก็ทรงกรํารใบไม้ขึ้นมากำเ ม, มอหนึ่งแล้วถามว่าพิกษูทั้งหลายใบไม้ในกำเ ม, มอรของตถาคตกับใบไม้ที่เกลื่อนอยู่ในป่านี่อันไหนมากกว่ากันพระเหล่านั้นก็กราบทูลว่าใบไม้ที่เกลื่อนอยู่ในป่ามากกว่าที่อยู่ในกํา ม, มือของพระองค์ พระพุทธเจ้าก็จะบอกว่าสิ่งที่ตถตาคตรู้เหมือนกับใบไม้ในป่าแต่สิ่งที่ตาตาคตนำมาสอนเหมือนกับใบไม้ในกำมือของตถาคตเพราะว่าตถตาคตสอนเฉพาะเรื่องที่จําเป็นที่จะช่วยให้เกิดการดับทุกข์ได้ต่อใช้คำบาลีว่าปุเพจะาั่งพิกเว เอตระหิจะปาทุกข์ทุกข์ทุกขังจะทุกขัเสนโรทางปัญญาเปมิภิกษุทั้งหลายเราสอนเรื่องเดียวคือเรื่องความทุกข์และการดับทุกข์ได้ในการก่อนก็ดีในการบัดนี้ก็ดีในการต่อไปข้างหน้าก็ดีตาตาครดสอนเรื่องเดียวเท่านั้นเป็นเรื่องสําคัญ อันนี้เราก็พอจะสันนิษฐานได้ว่าปัญหาเฉพาะหนะ้าปัญหาที่สำคัญที่พระผู้มีพระภาคเจ้าคนา้นคว้านำมาสอนนั้นคือเรื่องเดียวคือเรื่องความทุกข์และการดับทุกข์ได้ทำไมจึงได้มุ่งเอาเรื่องนี้เพราะรู้ว่าชาวโลกทั้งหลายมีความทุกข์มีความแสดร้อนใจ มีปัญหาเกิด ค, ความทุกข์ในชีวิตประจำวันแต่ก็แก้ทุกข์ไม่ได้เพราะไม่รู้ว่าทุกข์คืออะไรอะไรเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เหตุมันอยู่ที่ไหนควรจะดับอย่างไรไม่รู้ไม่เข้าใจก็ต้องทนทุกข์ต่อไปไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิน้นท่านมา่พระองค์ได้ไปศึกษาค้นคว้าก็ได้พบเรื่องนี้ นำมาประกาศให้เ้าลูกได้เกิดปัญญาเกิดความเข้าใจถูกต้องนำไปใช้เป็นเครื่องมือแก้ไขปัญหาชีวิตท่านเหล่านั้นก็พ้นจากความทุกข์ความแดดร้อนไปเพราะงั้นเราทั้งหลายที่เป็นพุทธบริษัทในปัจจุบันนี้อย่าไปคิดเรื่องอื่นใหมันฟุ้งสตร์อย่าไปสนใจเรื่องที่ไม่จำเป็น แต่ว่ามาสนใจเรื่องเฉพาะหน้าเกดเรื่องความทุกข์และการดับทุกข์ได้เนี่ยแหละเป็นเรื่องจำเป็นและสำคัญเมื่อกลนมาหาพระแล้วชอบถามปัญหาเป็นปัญหาที่ไม่น่าจะตอบทั้งนั้นใครที่ไปหาท่านเจ้าคุณพุทธทาสตาไปถามเรื่องที่ไม่จาเป็นจะตอบท่านนั่งเฉยเฉยท่านไม่พูดด้วย แต่ก่อนนั่งก็ถามไปถามเจ้าซี่อยู่นั่นแหละแต่ท่านก็อดทนได้ท่านนั่งเฉยไม่ยิ้มไม่หัวเราะไม่แสดงอาการอะไรทั้งนั้นแหละจนคนถามเบื่อเบื่อแล้วก็เดินออกไปบน่นพึมพำพึมพำ ม, ม, มาหาพระที่ไม่พูดเนี่ยมันลาบากจริงจริเว้ยอ่าแล้วก็ไปทำไมท่านยังไม่ตอบเพราะถามปัญหาไม่เข้าเรื่อง ไม่ใช่ปัญหาที่เป็นเบื้องต้นแห่งการดับทุกข์พระพุทธเจ้ากับบอกว่านั่นปิใช่เป็นอาธิพรหมจันท์คือไม่ใช่เบื้องต้นของกาของพรหมจันร์ที่เป็นไปเพื่อการดับทุกข์ใครถามอะไรท่านก็ไม่ตอบจะมีพระองค์หนึ่งชื่อมาลุงกยบุตรแกก็มีข้อสงสัยสิบข้อ ไปตูนถามพระพุทธเจ้าถามเรื่องลูกนี้ลูกอื่นลูกรู้อะไรก็ไม่รู้ห ล, ล, ล, ลายมากมายพระพุทธเจ้าทันตอบว่าต ถ, า, ถาคตไม่ตอบปัญหานี้แกก็บอกว่าถ้าพระองค์ไม่ตอบผมจะไม่อยู่จะลาสิกขาไปเป็นชาวบ้านพระองค์ก็ตอบว่าตามใจเธอมาเธอมาฉันก็ไม่ได้สัญญากับเธอสักหน่อย ว่าฉันจะตอบปัญหาสิข้อนี้ให้เธอฟังตอนนี้ว่าเธอไม่ได้ความจากตาคดจะน้อยอกน้อยใจลาสิกขาก็ตามชอบใจเถอะแต่เราไม่ตอบปัญหาดีเพราะมันไม่เป็นไปเพื่อความดับทุกข์ดับร้อนไม่เป็นไปเพื่อนิพานพระองค์ก็ไม่ตอบเมืหลายแห่งที่คนเข้าไปถามพระองค์ไม่ตอบปัญหาเหล่านั้น สมัยนี้คนก็ชอบถามเรื่องหนึ่งแตาพระป้าแล้วมักจะถามว่าตายแล้วไปไหนถ้าชอบจริงๆแล้วถามมากี่คนแล้วก็ไม่รู้ถามพระกี่องมาก็ไม่รู้พระท่านอาจจะตอบบ้างไม่ตอบบ้างแล้วก็ยังถามเพราะมันไม่หมดสงสัยที่ไม่หมดสงสัยเพราะอะไรเพราะยังไม่ได้ตายสักทีไม่ตายแล้วจะไปตอบยังไง เขาตอบว่าอ่าก็ไ่เชื่อยังสงสัยก็ไปถามอีกเวลาไปใจยาไปถามท่านเจ้าคุณท่านเจ้าคุณท่านนั่งเฉยท่านไม่พูดด้วยไม่ตอบปัญหาอย่างนั้นเขาถามถามก็รำคาญแล้วก็ไปเองเวลาไปแล้วท่านก็พูดกับพระที่นั่งอยู่ว่ามันชอบถามปัญหาไม่เข้าเรื่องเป็นปัญหาที่ตอบกันไม่จบไม่ชิ้น ปัญหาจะพ่อหน้าว่าจะดับทุกขอย่างไรเนี่ยไม่ใครถา ม, มไม่สนใจแล้วมันก็อยู่อย่างนั้นอยู่อย่างคนปัญญาอ่อนเรื่อยไปอา่ารพูดกับพระให้เข้าใจอย่างนั้นจึงไม่ตอบปัญหาที่ไม่เข้าเรื่องคนชอบถามถามเรื่องแปลกๆเราควรจะถามว่าจะดับทุกขอย่างไรเจะเราไปพบพระควรจะก็ถามว่า จะแก้ปัญหาชีวิตคือความทุกอย่างไรพระท่านก็จะถามย้อนมาหาเราว่าแล้วท่านมีความทุกอะไรอยู่บ้างในเวลานี้เราก็ตอบไปตามที่เราเป็นทุกท่านก็จะแก้ให้ว่าต้องแก้โดยวิธีนั้นวิธีนี้ให้เข้าใจอย่างนี้เป็นปัญหาที่ควรจะตอบควรสงสัยแต่โดยมากคนไม่ค่อยถาม ชอบถามปัญหาว่าตายแล้วไปไหนทำบนญโนทิดไปให้พูดตายได้หรือไม่อยังสงสัยหลังเล่กันอยู่ตอบเท่าใดก็ไม่จบสักทีพระพระองค์นี้ถามพอพระองค์เลยก็ถามอีกอะระหายการนั้นแลหละปัญหานั้นแหละไม่รู้จะไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิน้นเป็นปนัญหาที่ไม่รู้ จ, จ, กจักจจักสัญหี่ไรูจบไรู้ักาที่ระเจ้าทรู้จักจจ้นเป็าท่าไม่รูกจบไม่รู้ ตอบ ต, ตัดบมดว่านั้นไม่ใช่ปัญหาที่เป็นไปเพื่อความดับทุกข์เราไม่ตอบปัญหานั้นก่นนั้นก็หยุดไปหรือลุกขึ้นหนีไปเพราะไม่ได้รับคำตอบเป็นที่พอใจในปัจจุบันคนประเภทนั้นก็มีเยอะถามมัธยวิทยุบ้างเขียนจดหมายบ้างอะไรบ้างไปเทศที่ไหนถ้าเปิดโอกาสให้ถามปัญหา ปัญหาเรื่องตายแล้วไปไหนตายแล้วเกิดอดกหรือไม่ไปเกิดเป็นอะไรไปอย่างไรถามมากที่สุดแล้วก็ตอบไม่จบสักทีแล้วก็ไม่ใครตอบหลวงพ่อก็ไม่ตอบเหมือนกันเพราะตอบแกก็ไม่เข้าใจแกพระพระองค์ไหนแกก็ถามอีกเรี <c oughs> ยกว่าเที่ยวเดินปกปัญหาอยู่ไม่รู้จักจบไม่รู้จักเส้นเป็นปัญหาที่ไม่เข้าเรื่อง อะไรปัญหาที่เราควรถามคือถามว่าจะดับทุกอย่างไรจะแก้ความทุกโดยวิธีใดนี่ปัญหาที่ควรถามเพราะมันมีเหตุให้ตอบได้และเราสามารถจะนำไปปฏิบัติแก้ไขปัญหาชีวิตประจำวันของเราได้แต่คนก็ไม่ชอบถามในเรื่องอย่างนี้ชอบไปถามบกวน ออกไปนอกลูก่นอกทางไม่เข้าเรื่องเป็นส่วนมากเชิญใครขอขวามญาติโยมหลายหลายว่า<ม>อย่าไปถามปัญหาที่ไม่จําเป็นแต่เรามาถามปัญหาที่จําเป็นสําหรับชีวิตดีกว่าปัญหาที่จําเป็นนั่นคือถามว่าจะดับทุกข์ได้อย่างไรถามปัญหาอย่างนั้น พระท่านก็จะอธิบายให้ฟังว่าทุกข์คืออะไรมันเกิดจากอะไรแล้วจะดับได้อย่างไรก็ต้องดับที่ตัวเหตุของทุกข์แต่เราต้องรู้ว่าเหตุนั้นมันอยู่ที่ไหนถ้าไม่รู้ว่าเหตุอยู่ที่ไหนก็ดับไม่ได้เหมือนกันพระท่านจึงชื่อว่ามีทุกข์ก็ต้องมีเหตุเหตุมันอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ใจของเรา อยู่ที่ตัวเรานั่นแหละแต่คนเราด้วยปกติไม่ชอบมองตัวเองด้วยปัญญามองก็ด้วยมองด้วยโมหะความหลงมองว่าฉันยังสวยอยู่ฉันยังรออยู่หรือเปล่าอะไรต่ออะไรยังเรียบร้อยหรือเปล่ามักจะมองอย่างนั้นมองด้วยกิเลสมองเพื่อราคะโทสะโมหะ <Okay. S 1> อะไรต่างๆ เพราะฉะนั้นคนก็จึงขายของเพื่อให้ชะลอความงามมีมากมายกายกองน้ำมันทาผมบ้าตาผิวหนังม้างตาส่วนนั้นส่วนนี้ไอ้มันเป็นอย่างนั้นไอ้เป็นอย่างนี้บางทีก็ต้องไปฉีดยูกฉีดยาฉีดไปจิดมาก็เป็นมร็งตายพอดีนี่ก็เรียกว่าสนใจแต่เรื่องร่างกาย ไม่สนใจเรื่องจิตซึ่งสำคัญกว่าร่างกายตกแต่งกายมากตกแต่งจิตน้อยร่างกายของเครื่องแต่งกายมีมากแต่ร่างกายของเครื่องแต่งจิตไม่ค่อยมีแล้วคนที่ป่วยก็ไม่ค่อยไปหาสิ่งถูกต้องเอามาแก้ไขปัญหาชีวิตชอบคิดชอบนึกในเรื่องทางวัตถุกันเป็นส่วนมาก แล้วมีการโฆษณาทางโทรทัศน์ทางวิทยุทางหน้าหนังสื้อพิมพ์ลองอ่าน ด, ดูเถโฆษณาแต่เรื่องกายทั้งนั้นไม่ค่อยโฆษณาเรื่องเกี่ยวกับจิตใจเลยแม้แต่น้อยแม้จะโฆษณาเรื่องพระก็โฆษณาให้คนหลงให้คนงม ง, งายตา่หลังปกหนังเสื้อพิมพ์เกือบทุกฉบับมีทั้งนั้น เรื่องพระเครื่องหลวงพ่อนั่นหลวงปู่นี่ทําขาจํำนายใจแจกได้ปลุกได้เสกอย่างนั้นอย่างนี้ล้วนแต่เป็นเรื่องได้าสาระทําให้คนหลงให้คนงมงายตั้งราคาก็แพงแล้วคนมารับก็ไปเพิ่มเพิ่มราคาเพราะต้องการกําไรจากการขายไปขายกันเกลือนว่าคนชอบ ได้แล้วก็มาเลี่ยมทองเอามาห้อยคอไว้ห้อยกันจนหนักคอหายใจเกือบจะไม่ออกแล้วเพราะหนักพระอย่างนี้ก็คือความหลงความมอวเมาในวัตถุไม่ได้สนใจในเรื่องจิตใจของที่เป็นเครื่องแต่งใจไม่หนักไม่แพงไม่ต้องซื้อด้วยราคามากๆแต่ของประดับกายราคาแพง แม่พระที่เป็นวัตถุก็ราคาแพงพระบางองค์ก็ขึ้นราคากันจนถึงห้าล้านเอามาเลี่ยมทองแผนใหญ่สายสร้อยเส้นตานิ้วก้อยเปื่อผกพระให้อยู่กับเนื้อกับตัวแต่ก็ช่วยไม่ได้เวลามีปัญหามีความทุกข์มีความเดือดร้อนใจเครียดจะาตายายเพราะไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไร และพระเหล่านั้นก็ช่วยไม่ได้หมอต้องไปช่วยฉีดอยู่ฉีดยาบำรุงโลวัใจบำรุงโลหิตแต่มนเดินท่องไม่ตีบไม่ตันไม่แตกตายนี่เป็นอย่างนี้มีอยู่ทั่วไปเราทั้งหลายก็อย่าไปหลงไหลบ่เมากับสิ่งเหล่านั้นควรจะมาสนใจเรื่องเฉพาะหน้า เรื่องเจะพ่อหน้าก็เรื่องปัญหาว่าทําอย่างไรเราจึงจะดับทุกข์ได้ทําอย่างไรใจจะสะอาดสงบสว่างนี่เป็นปัญหาเจ้าพ่อหน้าเป็นเรื่องที่ควรสนใจทุกครั้งที่เราเข้าไกลรพระก็ควรจะถามเรื่องอย่างนี้ถ้าจะไปหาหนังซื้ออ่านก็ควรหาหนังสือประเภทเด็ สอนตรงเป้าให้เรารู้เราเข้าใจว่าวิธีการดับทุกข์แท้จริงนั้นมันคืออะไรแล้วควรจะทำอย่างไรก็เอาไปทดสอบทำดูทำเรื่อยๆไปก็จะพบความจริงแล้วเราจะพ้นจากปัญหาคือความทุกข์ความแดดร้อนด้วยตัวของเราเองนี่คือวิธีการศึกษาที่ถูกต้อง ถ้าเราไปหลงไหลบ่เบาในวัตถุทำแต่เรื่องทางไสยศาสตร์จะช่วยเราไม่ได้เพราะทำให้เราอมงายและวัตถุเหล่านั้นสำคัญผิดว่าช่วยเราได้ซึ่งความจริงช่วยไม่ได้ไม่มีอะไรจะช่วยเราได้นอกจากตัวเราเองต้องช่วยตัวเองการช่วยตัวเองก็ต้องเอาธรรมะมาช่วย เอาหลักธรรมนั้นแหละมาปฏิบัติแต่เราปฏิบัติตามหลักธรรมะธรรมะก็จะเกิดศักดิ์สิทธิ์ขึ้นในตัวทำให้เราปลอดภัยให้ช่วยตัวเองได้เพิ่งตัวเองได้อุปัติเหตุตั้งหลายที่เกิดขึ้นบ่อยๆจากภาคิสารข้าวกรุงเทพปลอดถึงหลังเจตนาหมันเลี้ยวโค้ง มันมันคนงจะว่วงและเรี้ยวปิดที่เลยตะพลิกความให้คนกลับตายเลยไม่ต้องสอบสวนไม่ต้องลำบากก็ตายไปแล้วแล้วคนที่โดยสารก็พบช้ำดำเขียวกันไปตามเลือกตามราวต้องเอาไปส่งโรงพยาบาลแก้ไขกันต่อไปมันเป็นอย่างนี้เพราะความประมาทหอมเมาแล้วตอนเข้ากรุงเทพมันห่วงนี่ ตีสี่ครึ่งไหมกาลังล่วงนะแล้วถึงต่างโค้งมันก็เลืว้วมาทางหค้งมาขับตรงไปมันก็เกิดเรื่องอนะหรือเลี้ยวแรงเกินไปมันก็เกิดเรื่องเป็นเพราะคนขับคนโดยสารก็ห่วงเหมือนกันนั่งหลับกันไปเป็นแถวถ้าไม่ห่วงก็พอจะบอกคนขับว่าเอ้ยพี่ชายอย่าขับด้วยความประมาทนะใกล้ลุงแล้ว เลืม่มวเรื่มตาให้เจ๋วแต่มันหนักเกินไปก็หยุดเฉยหน่อยไปล้างๆๆตาล้างตาเื่มน้ำชากาแฟจะให้สั ก, สกถ้วยหนึ่งพอชื่นใจแล้วขับต่อไปใกล้จะถึงแล้วอย่าให้ไปก็เรียกว่าผีตายป่าชาออกไปถึงป่าชามันก็มีสองเรื่องไม่เผาก็ฝังนะไกลยาวไปทิ้งไว้มันไปอย่างนั้น การของขายก็เหมือนกันถ้าไปถึงตลาดแล้วมันต้องขายพยสุกก็ขายถูกได้กาไรไม่พอใช้ไม่คุ้มกับการลงทุนก็เกิดปัญหาอย่างนี้มีอยู่บ่อยๆทำให้เป็นทุกข์เดือดร้อนแต่ถ้าเรารู้จักใช้ธรรมะก็ช่วยได้ไม่เกิดปัญหาเป็นทุกข์เดือดร้อนอะไรมากเกินไปนี่อานิสงส์ของพระธรรม ช่วยได้มากแต่ว่าเราไม่ค่อยได้ใช้พระธรรมเราไม่ศึกษาให้เข้าใจอย่างถูกต้องแล้วไม่เอามาใช้ให้ถูกต้องมันเรามีเครื่องมือแต่ว่าใช้ไม่เป็นมันก็เป็นอันตรายทาให้ถึงเก่ความตายก็ได้เพราะเครื่องมือนั้นเราไม่รู้จักใช้เกิด ค, ความเสี่ยงให้ได้ ยังต้องเรียนรู้ว่าจะใช่อย่างไรจึงจะปลอดภัยไม่เป็นอันตรายแก่ตนและแก่บุคคลอื่นแล้วก็ใช้ด้วยสติปัญญาเครื่องมือนั้นก็จะไม่เป็นพิษเป็นสงอะไรสมัยนี้ของมันเป็นคุณก็ได้เป็นพิษก็ได้หมดทุกอย่างเช่นยาแก้ไขเป็นพิษก็ได้เป็นคุณก็ได้แต่รับทานไม่เป็นมันก็เป็นพิษ เป็นโทษแต่คนค่ายอาการหนักสแสลงถึงแก่ความตายก็ไดยแต่ถ้าเราใช้เป็นรูปว่าญาณ้่วรใช่อย่างในใช้เวลาใดก่อนอาหารหลังอาหารควรจะกินประมาณเท่าใดเราเข้าใจเราก็หยิบมาใช้ด้วยสติปัญญาไม่ใช้ด้วยความหลงความมอมเมาความประมาทชีวิตก็จะปลอดภัย มีคุณแต่โทษมันก็มีอยู่ในนั้นด้วยเหมือนกันเราจึงต้องรู้ว่ามีคุณและก็มีโทษจะมีโทษต่อเมื่อเราใช่ไม่ถูกต้องใช้เกินพอดีไปก็เกิดความทุกข์ความเสียหายเวลาใช้จึงจะต้องระมัดระวังใช้ให้มันถูกต้องอย่าบางอย่างที่เราไปซื้อมาจากตลาดคนขายเล่นไม่ซื่อ เอายาที่หมดผลภาพแล้วมาขายยาหมดุณภาพคือยาที่เกินเวลาแล้วเขาเขียนบอกว่าค้างคหลอดยาข้างปวดบอกว่ายานี่ใช้ได้ถึงวันที่เท่านั้นเดือนนั้นปีนั้นถตามันพ้นมาแล้วมนยามันก็เสื่อมซื้อมาเท่าราคาเดิมแต่ว่าได้ยาเสื่อมเอามากินมันก็ร้ายคุณค่า ไม่ช่วยเราห้โลโรคไปใกล้เจ็บแล้วเราก็หมดเออยานี่กินแล้วมันก็ไม่หายไปโทษยาวอาไม่ดีแต่ความเจียงคนไม่เข้าใจใช่ไม่เป็นควรโทษคนมากกว่าเวลาใช้า ย, ยาต้องหยิบขึ้นมาอ่านอ่านแล้วเข้าใจแล้วก็ดูว่ายานี่หมดอายุเมื่ อ, อไหร่แม่พวกอาหารเสริมนมเนย ที่เขาขายกันต่อไปก็มีวันบอกดังนั้นยากุ้นก็มีวันบอกว่าหมดอายุเท่านั้นยาทุกอย่างก็เขียนบอกไว้ดังนั้นแม่คนใช้ถ้าว่าเราอ่านแล้วก็เห็นว่าใช้ไม่ได้ก็เอาไปทิ้งจะเอาไปให้ใครกินมันก็ไม่ได้ไม่เป็นทำไมเขาต้องเสียอะไรได้เป็นะอย่างนั้น คุณโยมเอาอะไรอะไรมาถาวายบางทีก็ใส่ตู้ลืมไปเพราะไม่ค่อยได้ฉันก็ลืมไปวันหนึ่งปุกไก่ก็เปิดตู้หยิบออกมาอาโนโอ้ยนี่เกินอายุแล้วต้นนั้นหลวงพ่อบอกเธอเอาไปให้ใครเอาไปให้ใครเอาไปทิ้งทิ้งกองขยะลงถังไว้เลยเราะเอาไปกินก็ไม่ได้แล้วเกิดทุกข์เกิดโทษ เพราะงั้นเจียต้องดูเหมือนกันก่อนจะใส่ตู้ก็ต้องดูแจ้ก่อนว่ามันหมดเวลาเมาื่อไรถ้าใกล้หมดเวลาก็รีบกินใช่อย่าให้มันเกินเวลาเพราะเกินแล้วกินไม่ได้ไร้คุณภาพไม่เป็นประโยชน์อะไรแก่ร่างกายให้ไครกินมันก็ไม่ได้หรือแล้วกว่าเออไอ้นี่กินไม่ได้เอาไปไอ้คนนั้นคนนี้กินก็ไปลงโทษเขาอีก บาคนมาคนเอาของไปวัดของมันใช่ไม่ได้นะเอาไปถวายวัดดีกว่าอาวัดก็กลายเป็นที่รับของเขาก็เราว่าทิ้งไว้กองอ่ะหมาไม่ดีก็อามาไว้วัดแมวไม่ดีก็เอามาไว้วัดไอ้คนไม่ดีก็เอามาทิ้งวัดเหมือนกันอย่างนี้วัดก็แย่กลายเป็นที่ทิ้งสิ่งไม่ไม่เหมาะไม่ควรเสียหายเราจึงต้องดูว่าอะไรใช้ได้ เป็นประโยชน์เอาไปตวายพระพระก็จะได้ใช้บำรุงร่างกายแล้วก็จะได้ปฏิบัติหน้าที่ของพระต่อไปมันจึงจะสมควรมาใชต่วายส่งเดตไปไปซื่ออะไรก็ซื่อไม่ดูไม่แลซื่อมาตอนนั้นะเอามาใช้ต่อวายใช้ไม่ได้เสียงเงินเขาเขาไม่ได้เรื่องอะไรเหมือนกันบนเมนน่ะ เจอบางสกุลเวลาจะเป่าเนี่บางคนก็บางสาคุลห้าไกรหมอทมําไมต้องมากอย่างนั้นคนเขารอเสียวเวลาถาวายทางหา้าไกรให้ลูกเขาเวไนยหลายคนนายของลูกคนนั้นก็มานายของลูกคนนี้ก็มามาแล้วก็ไม่รู้จะให้ทําอะไรก็ให้ทอดผ้าไตรให้ความจริงว่าใครติตดต่อนั้นไม่ใจใช้ได้นี่ รารู้ว่าใช่ไม่ได้ก็ชัดไปอย่างนั้นแหละมันใช่ไม่ได้เพราะมันหมุนเวียนอยู่บนเมน่ะมันไม่ไปไหนนี่ปากใบเหล่านะั้นหมุนไปหมุนมาหมุนอยู่เรื่อยๆไปตั้งหลายเดือนแล้วมันหมุนอยู่อย่างนั้นเลยเขาไม่เปิดถุง ท, ที่หุ้มวัสดพลาสติกเตียวก็ไม่เปิดพอจักแล้วก็เก็บไว้จักแล้วก็เก็บไว้ทีไรก็เท่าล่ะทุกเทียนเอามาขึ้นไป ชักผ้าเขาบอกว่าใหา่ชักเพราะมันไตรโยนชักก็ใช้ไม่ได้เราก็ไปซื้อไตรพิเศษมาให้เปิดสีทางที่ต้องการและใหญ่น้อยพอนุ่งห่มได้ก็ใช้ได้แต่ตาพระธรรมดาก็ใช้ไม่ได้แต่เขาถวายปัจใจไปชักไตรหน่งก็ถวายไปร้อยเนี่ยเอาปัจจัยไปใช้ผ่านมาไม่ได้ใช้หรอก ก็มันหมุนเวียนมาหลายศพแล้วอยากอยากจะให้โยมเลือกเสียบ้างวะไม่ต้องทอดไหลไตรเอาไตรเดียวก็พอแต่ให้เป็นผ้าติดพระใช้ได้ไม่ใช่ผ้าไตรโยนทำวาไตรโยนได้แล้วตโยนไว้มุมห้องไม่ได้ใช้ก็เรียกว่าไตรโยนเป็นกรรมติดพระทุกวัดพูดกันอยู่ <c oughs> ว่าเป็นผ้าไตรโยน ได้มาแล้วก็โยนไปได้ไหมได้โยมก็ไม่รู้ว่าพระเอาไปโยนครุกกีฝุ่นไว้ในห้องแล้กว่าพระเอาไปใช้ความจริงไม่ได้ใช่เพราะพระไม่ได้เทศและโยมฝั่งามาก็เปิดเผยบ่อ ย, อยๆหลายเรื่องของที่มันไม่ใช้ไม่ได้อย่าเอาไปตวายพระจะใช้สมบุกสักตัวนึงก็ให้นองได้ กีวรสักผืนนั่นก็ให้นุ่งได้ไม่ใช่ว่าห้าไตรใช้ไม่ได้สักไตรหนึ่งเอาไปทําอะไรอย่าว่าทำบุญเอาหน้าแต่หน้าเขาไม่ได้เพราะมันไม่ได้เรื่องอะไรอย่างนั้นก็พอกบ่อยบอกคนที่มาปสามหยาห้าไตใช้เดียวแต่มันใช้ได้ก็พอแล้วหนายหลายคนนายของลูกคนนั้นลูกหลายคนเนี่ย ลูกห้าคนก็ต้องหาคนท้อบอกเออได้ามาก็ไม่ต้องให้ทํามาน ก, ก็ได้มาเป็นเกียรติก็พอเด้วยไอ้ตันได้ทําอะไรบ้างหรือไอ้ตอดปากใครที่จ่าไม่ได้นหะนก็ไม่ได้ภูมิใจอะไรถ้ารู้ข่าวเขาว้าอ่ามันเป็นอย่างนั้นหานนี้เราให้ฟังไว้ด้วยยอมจะได้รู้เราะจะได้ทําอะไรคือทําให้มันเกิดประโยชน์ไม่ต้องมากแต่ว่าให้เกิดประโยชน์ เปื้อนนั่นก็ให้ได้ประโยชน์เกิดนุ่งได้ใช้ได้แต่ถ้านุ่งไม่ได้ใช้ไม่ได้มันจะได้ประโยชน์อะ ไ, ไรทํากันพอเป็นพิธีเราแล้วเองไม่ได้สาระเป็นตัวอย่างยกมาเห็นง่ายเราจึงต้องใช้ปัญญาเป็นเครื่องประกอบพระพุทธเจ้าตัสว่าวิจัยทานังสุขตัประสัตถัง แปล ว, ว่าเลือกเฟ้นก่อนจึงให้พระสุคตเจ้าสัรเสริญเลือกของที่จะให้เลือกคนที่จะรับของเราจะให้อะไรแก่ใครก็ต้องเลือกของอะไรเหมาะแก่คนนั้นเอาไปใช้หรือเปล่าเป็นประโยชน์หรือเปล่าถ้าให้แล้วไม่ได้ใช้เสียสตังเต่าเปล่าไม่ได้เลือกอะไรเอาไปทิ้งทิ้งความว่างไม่ได้ประโยชน์ เราจึงควรเลือกว่าถวายอะไรแก่พระรูปนั้นถวายอะไรวัดนั้นในเวลานั้นให้เป็นประโยชน์อย่างนี้ก็เรียกว่าทำเป็นทำเป็นของมันก็มีค่าอยู่แต่ถ้าทำไม่เป็นก็ของไม่มีค่าราคาอะไรนนย่มไม่ค่อยรู้ทำส่สงเดชไปตามเรื่องพระก็ไม่ค่อยบอกแียด้วย แต่ว่าไปบอกก็เดี๋ยววันกันจะอยากได้ของอย่างนั้นไม่ใช่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับความอยากได้ของพระแต่เกี่ยวกับว่าทำแล้วให้มันไปเกิดประโยชน์ถ้าทำแล้วไม่เกิดประโยชน์จะทำไปทำใหม่หลักการมางครจะเป็นอย่างนั้นยึงอธิบายให้ญาติโยมเข้าใจเราจะไปไหนจะทำอะไรก็ต้องพิจารณาดังที่กล่าว พอถึงแล้วดูทอดอะไรกระถินแล้วก็ไปซื้อผ้าไปบางทีก็ใช้ไม่ได้พระได้รับแตงไว้ใช้ไม่ได้เดี๋ยวก่อนพิษอย่างนาว่าเอาผ้าไปถวายพระให้พระใระช้ได้ให้เกิดประโยชน์คุ้มกับที่เราเดินทางไกลไปทอดกะถินแต่ถ้าโมอง่งจะหาเงินไปบำรุงวัดมันอีกเรื่องหนึ่งผ้าไม่สำคัญเอาไตรเดียวก็พอ แต่ก็ให้ใช้ได้เหมือนกันดอกนั้นเราก็ถวายวัดบำรุงวัดเป็นปัจจัยพระก็ได้ประโยชน์แล้วคือป้าไกลเดียวที่ถวายเป็นการถิ่มก็ได้ประโยชน์แล้วไม่ต้องมากมายปาทีของมากก็รกวัดเอาไปตัวซื้อไปถวายมารกวัดไม่จำเป็นจะต้องใช้ก็มีอันนี้โยมไม่ค่อยจะทราบก็พูดให้เข้าใจไว้บ้าง สมควรแก่เวลาอันนี้สำหรับเรื่องชีวิตของเราเองมันมีปัญหาอยู่เสมอละ่ะปัญหานั้นมันเกิดเพราะอะไรเกิดเพราะจิตเรามันปรุงแต่จิตเนี่ยเป็นตัวสําคัญที่สุดที่เราจะต้องศึกษาต้องทาความเข้าใจเกิดเรื่องสองเรื่องที่เราควรเข้าใจคือเรื่องกายกับเรื่องใจ ตาพูดเป็นปาษาวัดก็เรียกว่านามรูปนามนะคือเรื่องใจรูปก็คือร่างกายร่างกายคือสิ่งที่เรามองเห็นด้วยด้วยตาสัมผัสด้วยประสาททั้งห้าตั้งแต่ปลายผมจงปลายเท้ายาววานเคืบว้างสอกหน่งนี้เป็นเรื่องของรูปวัตถุทั้งหมดรูปวัตถุนั้นประกอบขึ้นด้วยธาตุ ธาตุดินธาตุน้ําธาตุไฟธาตุลมและอากาศธาตุหรือว่าอโยธาตเป็นเครื่องประกอบรวมกันเข้าเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วก็มีใจสําหรับรู้สึกนกคิดกําหนดจดจําในเรื่องอะไรต่างๆเรื่องสําคัญของชีวิตมันก็สองเรื่องคือกายกับใจกายนี่เป็นเปลือกนอก ใจมันอยู่ข้างในในในชองอย่างนี้ใจสำคัญที่สุดเพราะใจเป็นผู้คิดเป็นผู้กำหนดเรื่องอะไรต่างๆดีชั่วสุขทุกขเกิดอยู่ที่ใจไม่ได้เกิดที่เรื่องอื่นเกิดที่ใจของเราเรามีอะไรเกิดขึ้นก็ใจมันปรุงมันแต่งไปเองเป็นทุกข์ก็เพราะใจปรุงให้เกิดทุกข์ คงด้วยความโง่ความเกร๋ก็เกิดทุกข์อันนี้ถ้าปรุงด้วยสติปัญญามันก็ไม่เกิดทุกข์อะไรเพราะฉะนั้นเวลาใดที่เรากลุ้มใจเครียดมีอะไรเป็นปัญหาก็แสดงว่าเราขาดหลักธรรมะเป็นเครื่องประกอบแล้วเรามีความโกร๋ความมัวเมาความประมาทอยู่ในใจของเราเราจึงคิดผิด พูดผิดทำผิดคบคนผิดไปสู่สถานที่ผิดเพราะความโม้ความเกลีเหล่านั้นเราจะต้องแก้แก้ก็แก้ที่ใจเราคือแก้จากความโม้ให้เป็นความฉลาดด้วยใช้สติปัญญาเป็นเครื่องกําหนดพิจารณาพิจารไรรู้ว่าไอ้ดั้งเดิมของจิตของเรานั้นมันไม่ได้เร่าร้อนไม่ได้วุ่นวาย ไม่ได้มืดไม่ได้มัวอะไรทั้งนั้นมันเป็นธรรมชาติสะอาดปรงใสยอยู่ตลอดเวลาดังคำที่พระมุทธเจ้ากล่าวว่าปภัตสรมีทังภิกขเกเจิตตังตันจะคู่อาคันตุเกหิกุปกะลิตถังบอกว่าภิกษุทั้งหลายจิตนี้เป็นธรรมชาติปุดปอง n เศ้าหมองเพราะสิ่งที่จรอมากันทบ เธอเข้ามาทางตาทางหูทางจมกูกทางลิ้นทางกายเข้าไปสู่ใจใจรับรู้สิ่งนั้นแต่รับด้วยปัญญาก็ไม่มีพิษสงอะไรแต่แต่รับด้วยความโง่ความเข้าก็เกิดปัญหามีความทุกข์ความแด้ร้อนใจยังว่ารับผิดมารับผิดก็เกิดทุกข์ไอ้ถ้าเรารู้ทัน เอารู้ทันเตียอกำลังเป็นทุกข์กำลังรุ่มใจกำลังเครียดอะไรก็รู้ออกพอรู้อย่างนั้นเราก็รีบสกัดทันทีเอาสติปัญญาเข้ามาช่วยพิจารณาว่าทําไมจึงเป็นอย่างนั้นทําไมจึงร้อนใจทําไมจึงเป็นทุกข์ทาไมจึงรุ่มทําไมจึงเครียด ไปเพียดด้วยเรื่องอะไรศึกษาค้นควา้าเวลาที่เรานั <c> ่ง <oughs> ศึกษาค้นคว้านะั่นแหละคือเราทำสมาธิอยู่ในตัวแล้วก็ทำวิปัสสนาอยู่ในตัวเพราะพิจารณาเพื่อให้รู้ชัดในเกาใ่ชัดในเรื่องนั้นถูกต้อง hey, ว่ามัน <hey. S 1> คืออะไรกันแน่ ให้มองที่ที่ตัวเราอย่าไปมองที่อื่นอย่าไปโทษคนนั้นอย่าไปโทษคนนี้อย่าไปโทษดาวโทษ ด, ดวงโทษอะไรเพราะสิ่งนั้นไม่มีส่วนในการทำให้เราเป็นทุกข์แบบน่าร้อนใจส่วนสำคัญคือความหลงไหลเข้าใจปิดกองใจเราเองเราจึงคิดไม่ถูกต้องพูดไม่ถูกต้องทำไม่ถูกต้องแล้วก็เกิดปัญหา เพราะงั้นต้องแก้ที่ใจของเราสืบสาวเล่าเรื่องล้ำไปถึงต้นต่อว่าอะไรมากระทบรูปเข้าทางตาเสียงเข้าทางหูกลิ่นเข้าทางจมูกรดเข้าทางลิ้นกายได้กระทบอะไรที่ไหนแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเราต้องพิจารณาสาวไปให้เจอต้นตอเขาเมืน พอเจอต่อมาต่อมาแล้วเราก็ถอนมันขึ้นถอนทั้งรากทั้งโคนออกมาปเป่าไฟเฉลยไม่หันมารังแกเราต่อไปอันนั้นมันก็หายไปแต่ว่าเราไม่ค่อยถอนไม่ค่อยคิดพิจารณาเพราะมีความเชื่อที่ไม่เข้าเรื่องอยู่ในสมองพอมีอะไรเกิดขึ้นก็ต้องไปหาหมอดู หมอดูทั้งหลายก็คอยเจ้าที่จะหลอกเราอยู่ให้เราต้องเสียเงินเสียทองอย่างนั้นอย่างนี้วันนั้นดูตรวรัดหมอก็เรียกว่าหวงจุ้ยไปดูบ้านนั้นหมอโอ้คุณอยู่บ้านนี้มากี่ปีแล้วคุณนอนตรงนี้เลยใช่ครับอ๋คุณนอนตรงนี้ไม่ถูกนอนปลายเท้าไปห้องน้ําไม่ถูกมันต้องกลับหัวไปทางนั้นกะับ ก็ไม่ถูกอีกครับพ่าไม่ก็ไม่ถูกแล้วถามเรื่องโน่นถามเรื่องนี้หลายเรื่องล้นแต่เป็นเรื่องสร้างปัญหาให้เจ้าบ้านดังนั้นต้องไปเปิดหน้าต่างใหม่เปิดประตูใหม่ต้องเสียงเงินดังนั้นโยมไอ้ต่อไปเชื่อหมอก็ต้องเสียงเงินไปปรับปรุงบ้านเสียเวลาไปในเรื่องอะไรหามาก็บอกว่านั่งคุยกันก็ไกลบกไอ้ ไอ้เราก็นอนไม่ถูกนะ่ะนอนยืดเท้าไปห้องน้ําทุกทีแต่ก็มาเข้าทุกวันเนะ่ะเพาคนมาทําบุญทุกวันเนะี่ อ, อะไรขัดข้ออะไรแลกก้วหมอเขาว่าไม่ดีอ่ะยืดเท้าไปห้องน้ําแล้วทําไปยืดห้องไปห้องน้ําจะยืดไปไหนเยอะไปตาทิศอื่นมันก็ไม่ได้แล้วก็นอนอยู่ปอย่างนั้นอมันไม่มีอะไรความจริงไม่มีอะไร นอนผิดหัวไปทิศตะวันตกก็ไม่ได้ก็เคยนอนผิดหัวไปทิศตะวันตกก็ไม่มีอะไรทิศไหนมันก็ไม่มีอะไรมันไม่เกี่ยวด้วยนอนทิศไหนแต่มันเกี่ยวกับว่าเรานอนหลับสบายหรือเปล่าอากาศโปร่งหรือเปล่าพัดผ่านหรือเปล่าเรียบร้อยหรือเปล่าอะไรมันช่วยเราสบายนอนหลับเป็นสุขไม่ใช่เพราะอย่างนี้เพราะอย่างนี้ บางทีก็ต้องรื้อบ้านเีนคนที่สงขาแกเป็นคนหลังค่อมไม่ค่อยสบายแล้วความหลังแก่ค่อมแล้วก็มีหมอดูมาจากไหนก็ไม่รู้มาบอกนี่อะตัวร้ายมาอยู่ตรงนี้อะไรไม้ตดเขียนต้อท่อ น, นมาทาเป็นคานเรือรนเขาเรียกว่าเมคานเขาเรียกว่าตรง ต้องทาด้วยไม้ตะเคียนอย่างนี้นะแล้วหมอนี้นะไอ้ตัวร้ายนะผีมันอยู่ในถอดไม้ถอดนี้นะแล้วนี่ ย, ย่างมันออกไม้มันยังสดมันก็ออกอยางออกอยางนี่น้ำตาตะเคียนทำให้เกิดปัญหาจยงไม่สบายยายคนนั้นแกก็เชื่อต้องไปหรือเอาตรงตัวนั้นออกให้ใช้เรื่องเล็กนะต้องเอา แต่เครื่องมาค้ำไมไมให้เรือนสุดแล้วก็ตอนตรงตัวนั่นออกเอาไปไหนเอาไปตอวายวัดสมภันก็ดีใจได้ไม่ตรงอันหนึ่งไม่อยา่างนีแล้วแกก็ต้องไปเชื่อไม้เอื่นมาทำ <c oughs> ก็อย่างนั้นเพราะว่าร่างกายแกไม่สบายคนร่างกายไม่สมประกอบนีกระดูกสันหลังมันคู่เดินหลังคู่อยู่ตลอดเวลาแล้วจะหาความสบายได้ยังไง เปลี่ยนไม้แล้วก็ยังไม่ดีขึ้นเพราะว่าไปเชื่อหมอุงซึ่งไม่ได้เลือกอะไรทํายางนันเขาหลอกเราบ่อยๆแต่เราไปเชื่อก็ลําบากไม่ได้เรื่องอะไรอย่าไปเชื่อวันก่อนนี้หมอไหนก็ไม่รู้บอกว่าคุณชวนเหล็กไปนี่ดองไม่ดีแล้วนะดองตกแล้วเจ้าใจรองรองนายกบอกว่าผมไม่เชื่อ ให้พวกหมอเหล่านี้พูดผมไม่เชื่อผ ม, มดดบดพัชรประธานรลังสริดหลว ง, งพ่อปัญญาไมา่สอนให้เชื่อเรื่องไรวไหลอย่างนี้ผมไม่กลัวไม่กลัวว่าจะเป็นยังไงผมทำหน้าที่ให้ถูกต้องมาแล้วกันอูดอยางองค์อาฆ่าหารอาคูบาอาจารย์ก็ไปด้วยวอย่างนี้ไปได้เรื่องอนะไรไปเ่ยวหลอกคนบางคนไปคนค่อนข้างมีสตางนะ แต่มีปัญหาหม อ, อไปเลยเออคุณนี่โมนี่ดวงไม่ค่อยดีนะไอ้เกิดวันอะไรเดือนอะไรปีอะไรต <c oughs> ามมาถามแล้วก็ทายไม่ดีเท่านั้นอ่ะโอ้ทไหงต้องไปรถน้ำบนที่นั่นต้องทอยังเอาหาเรื่องจนได้ไอเสียตังค์นะบางคนไปรถน้ำบนทึงเมืองสิงแล้วไปชนก็สิบล่อตายเราหมอสั่งให้ไป ไปถึงเวลาเก้าโมงเก้านาทีก็ขับรถเมืองใหญ่ไม่ถึงเมืองสิงห์ชนกสิบล้อตายทั้งสี่คนเขาเรียกว่าไม่ฉลาดไปทําไมเชื่อเลวไหลมไม่ได้เรื่องเราต้องเชื่อพระพุทธเจ้าอนี้เป็นอย่างไรชั่วเป็นอย่างไรสุขเป็นอย่างไรทุกเป็นอย่างไรพระพุทธเจ้าว่าไวชัดเจนแล้ว อย่าไปเชื่อคนอื่นแต่เชื่อพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามันกอดไปกว่าให้ยอมเข้าใจอย่างนี้วันนี้พูดมาก็สมควรแก่เวลากอก่อนที่จะจบก็มีเรื่องวันก่อนก็บอกไปแล้วเรื่องหนังสือลาวโกวา อานเสือเราโกต ว, ว่าได้เป็นหลักสูตรนักธรรมชั้นตรีที่พระหมหาสมณะเจ้ากรมพยาวชิรญาณวโรรสรวบรวมจากคำภีพระไกรบิดกเอามาตั้งเป็นหลักสูตรใต้พระเรียนแล้วก็เรียนกันว่านานแล้วหลายเกือบเกือบร้อยปีแล้วปีมาตอนนี้ก็มีคนที่คิดว่า หนังสือนี้เป็นประโยชน์มากควรจะให้มีภาคภาษาอังกฤษด้วยก็เลยให้พระผรังเขาช่วยแปลเห็นว่าทุกขะหมดสองทำมีอุปก า, าระมากสองอย่างสติความระลึกได้สัมปัจจะะความรู้ตัวอันนี้แส่ภาษาอังกฤษก็ไปด้วยว่าสติคืออะไรสัมปัจจะยะคืออะไร รเรื่องเอื่นเช่นว่าปัญจักรขันันห้าพันจก า, จ า, กามดห้าประโยชน์เกิดแต่การบริโภคทรัพย์มีกี่อย่างก็แปลไว้ด้วยสะดวกแก่พระสมัยใหม่ที่เรียนภาษาอังกฤษบาลีจะได้นำหลักคำสอนนี้ไปใช้แล้วจะได้ส่งหนังสือนี้ไปต่างประเทศว่าตามวัด ติพระไปอยู่กันเยอะแยะเอประเเอาไว้ก้นฟ้าศึกษาเรื่องธรรมะแทนหมดต่างๆจะได้เอาไปคุยกับพรังได้จะพิมพ์ทั้งหมด8ป0พันเล่มคิดโบนกาเล็บละห้าสิบบาทบาวนาทิ์ก่อนก็โยมอนมโมธนาได้ห้าหมื่้าพันมาเก็บไปเรียบร้อยยังไม่ได้เข้าธนาคารเพราะธนาการไม่มา วันนี้ญาติโยมคนทยที่ยังไม่ได้กระทาเป็นเจ้าภาพหนังสือนี้เพื่อถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรียกว่าท่านมีชนาอายุครบเจิบพันษาเราทำอะไรสักอย่างที่เป็นประโยชน์พระพุทธเจ้ากล่าวว่าสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมชนะการให้ทั้งปวง เราก็เป็นหนังสือเป็นอนุสอน72ปีของนายหลวงแจกจ่ายไปในที่ต่างๆต่อไปอยาเป็นประโยชน์มากเพียงประกาศได้โยมทั้งหลายได้ทราบว่าผู้ใดที่ยังไม่ได้มีส่วนอนุโมทนาก็มารมูโมทนาด้วยสายไว้ในกันวนันนี้เอาไว้เป็นทุนต่อไปพูดมาวันนี้ก็ สมควรเวลาตอนนี้ไปก็ขอเชิญญาตโยมนั่งสงบใจเป็นเวลาห้านาทีนั่งสงบใจมีสติกำหนดลมหายใจเข้าออกหายใจเข้ากำหนดรู้หายใจออกกำหนดรู้คุมสติให้อยู่ที่ลมเข้าลมออกไม่ให้ไปไหนแต่มันต้องไปเพราะมันเคยไป เหลือยป๊บออกไปวางรักแล้วไปสาธรไปสีลงไปตาที่มันชอบไปอันนี้เราต้องดึงกลับมาให้อยู่ที่ลมเข้าลมออกเป็นเวลาห้านาติ เ, าเชญยอดโยตาอะเวราอัพยาปั ช, ชาอนีคา ชีอัตานานังปริหารันตุสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เ ก, เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด <c oughs> อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย <c oughs> จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด <c oughs> อย่าได้ทุกกายทุกใจเลย <c oughs> จงมีความสุขกายสุขใจ <c oughs> รักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด